รู้ทันว่าอยู่ในระบบเงื่อนไขก็ใช้มันให้เต็มคุณค่ามีคำถามที่เป็นเรื่องของยุคสมัยว่าฉันท่าในการทำงานเวลานี้จะเป็นอย่างไรฉันทาแปล ง, ง่ายๆก็คือชอบนี่เองก็มีผู้เล่าว่ามีคนมาสมัครงานเขาสัมภาษณ์ว่าคุณชอบงานนี้ไหม คำว่าชอบเนี่ยกรรมกลัคนหนึ่งตอบว่าชอบแต่หมายความว่าชอบที่เงินเดือนดีจะได้เงินมากๆทำงานสบายไม่ต้องหนักไม่ต้องเหนื่อยงานก็ง่ายสะดวกทั้งมีเวลาพักเยอะแล้วก็เงินก็เยอะนี่ชอบอย่างหนึ่งทีนี้อีกคนหนึ่งตอบว่าชอบชอบอะไรก็ชอบที่งานนี้ถูกกับความถนัดความสามารถ ทำแล้วจะมีประโยชน์ช่วยประเทศชาติดีแก่สังคมอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นงานที่ดีงามสร้างสรรอย่างนั้นอย่างนี้ชอบเพราะว่าอย่างนี้เป็นอันว่าคำว่าชอบในที่นี้เป็นคำกามกลมกํมกึ่งระหว่างตันหากับฉันทะาถ้าจะให้ชัดก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจในคำว่าฉันทะาให้ชัดขึ้นในสังคมไทยถ้าถามว่า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 และความสามารถต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าปลูกชนทาได้ดีแล้วคนมีความไฝ่ฝึกไฝ่ศึกษาตอนนี้แหละเขาจะชอบแม้แต่สิ่งที่เคยไม่ชอบชอบแม้แต่งานที่ยากตามคติที่ว่ายิ่งยากยิ่งได้มากคือยิ่งงานยากเราก็ยิ่งได้พัฒนาตัวเองมากกว่างานนั้นจะเสร็จกว่างานนั้นจะเดินไปได้ดี เราก็ได้พัฒนาตัวเองไปมากมายที่ว่างานเป็นแดนพัฒนาชีวิตของเรานั้นขอให้คิดง่ายๆ ง, งานกินเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราเช่นวันละแปดชั่วโมงคือเท่ากับหนึ่งในสามของวันเหลืออีกส6บหชั่วโมงก็นอนบ้างเดินทางบ้างเหนื่อยเสียแล้วหมดไปอีกเยอะเพราะฉะนั้น เราจะทำอะไรก็ต้องเอากับเวลาแปดชั่วโมงนี้อย่าให้เสียเปล่าถ้าไปมัวทุกข์ฝืนใจกับงานนี้เราก็แย่เสียไปวันละแปดชั่วโมงเปล่ า, ลาและชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นก็รีบสร้างชันทะขึ้นมาให้เห็นคุณค่าที่จะรักงานขึ้นมาให้ได้บอกตัวเองว่างานเนี่ยทำไปเถอะเราจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะ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 ก็สร้างชันทะขึ้นมาด้วยวิธีแบบนี้งานทุกอย่างเราจะมีชันทะได้หมดดังที่ว่าถึงอย่างไรมันก็เป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเรามันมีคุณค่าที่จะใช้พัฒนาชีวิตของเราได้พอเข้าไปอยู่ในงานก็ต้องเจอผู้คนพอเจอผู้คนถ้าไม่มัวคิดอัดอั้นก็เป็นโอกาสให้ฝึกตนได้ทันที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 ความหมายของฉันทะตามหลักนี้ใช้กับอะไรก็ได้ดีและได้ผลทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทำงานคือมีความหมายสองแง่ 1. นฉันทะในแง่ต้องการให้สมบูรณ์ตามสภาวะคือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็อยากทำให้สิ่ง น, นั้นเรื่องนั้นงานนั้นดีเรียบร้อยงดงามให้มันสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของมัน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 เพื่อวัตถุประสงค์นั้นๆได้เต็มที่โดยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องการเลี้ยงชีพความเป็นอยู่ถึงแม้อยู่ในระบบเงื่อนไขแต่เรารู้ทันและเข้าถึงสาระที่นี้เมื่อเราทํางานด้วยฉันทะเพื่อวัตถุประสงค์ของอาชีพอย่างถูกต้องรัฐและองคอ์กรเป็นต้นที่รู้เท่าทันสภาวะของระบบเงื่อนไขนั้น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 ก็มีความสุขว่าได้ทำถูกต้องโดยฉันทะแล้วและด้านค่าเลี้ยงชีพที่จะอุดหนุนเป็นหลักประกันให้แก่การทำงานของเราก็มาหนุนจริงจังให้เราทาตามฉันทะต่อไปได้เต็มที่เราก็มีความสุขที่ทุกอย่างจะดำเนินเดินหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดีมั่นใจว่าฉันทะของเราจะออกผลสมวัตถุประสงค์แก่องค์กรแก่ประเทศชาติ อย่างราบรื่นยืนยาวต่อไปนี่คือระบบของฉันทะา